เทศนาแทนที่76ลำดับที่27โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่าดาคำน้อยจังหวัดอรุรนธานีแสดงธรรมในวันที่19พฤษภาคมสองพัมีชื่อเรื่องว่าได้เกิดมาแล้วอย่าลืมตัว คุณยมย้ายเอ่อเพิ่นมาอยู่บันฑน์นาข้างโน้มนั่นพาลูกพาลานมาอยู่วาในี้เพิ่นได้มรณะภาพมันได้มรณะลงไปแล้วอายุแปดจิบก็ปีแล้วก็ได้ทําบุญได้ไปชุ่มเพิ่งมาว่านเมือกรอนมันได้มาทําบุญประศาสประศาสผ่งภาษาบานเฮ้า ทำหมุนประสาทเพิ่งอุทิศโสนกุศลให้คุณยมย่ายแต่สมัยเมื่อพ้นเดินได้ไปมาได้ใส่บาทบกเคยขาดได้ ย, ย่ายใส่บาทคู่ใบจ่าใส่บาทล้มพอบอกเคยขาดพ่อมาช่วงหลงัลงๆอายุมากขึ้นไปไส่บไหร่ให้กันแต่ว่าตัวตเตี้ยๆน้อยๆแต่ถึงยังไพ้น ต้งจะใสบาดว่าอะรยังออกมานางทางนองนอกบานยังประโนมมือเห็นคู่บายจยนผ่าสงไปบินเท่าบาทแต่อายุมากขึ้นก็ยังวานนะจักจีวาจนไหนนะพี่ น, อยอยน้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาเท่าไรกัดบอมมีผลใด้จิตอยู่สั่วฝาดิ่งสะไล่ถึงข้าวกัต่างคนต่างแยกใหญ่กัน แต่ถึงยังไงก็ตามย่ายถึงเพิินจะบไรมาวัดมาว่าถึงจะบไรอยู่ปฏิบัติศีลปฏิบัติรรมแต่ย่ายก็เป็นปูไฟในการกุศลอยู่ดืวกันนะตักบาทใช้บาทกนาบวาดีในระดับหนึ่งดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าว่าดีกว่านั่นก็ควรจะ เขามาสู่วัดวาสานาไหวาพระสมาท่านศิลอันนั้นคือระดับต่อมาเอกต่อระดับขึ้นมาเอกสแสดงตนเป็นอุบาสิกาบวชในพระพุทธศาสานาเป็นยังเป็นชี้จริงๆอุทิตตนอันนี้แปลว่าระดับหนึ่งมันไม่หลายระดับทำใบฝ า, ายพระของเฮ้าขึ้กันฝายพระของเฮ้ากันเนี่ย ระดับผู้ที่เขามาบวชถึงจะมาบวชแล้วก็เถอะนะ เ, เพียงแต่ว่าใดยูนิฟอร์มสีสะพาเหลืองเท่านั้นอันนั้นก็ย่งห่างอยู่ขณะว่าผู้ใดเขามาบวชแล้วเสียสะละแล้วก็ประพฤติตนให้เป็นพระที่สมบูรณ์โวยศีล้วยศีร่าย จ, จรวัต เ, เป็นผู้มุ่งมั่นตอ่นตอศีลต่อธรรมแล้วก็เป็นผู้ หวังมักผลนิพพานหวังความพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารถึงแดนปฏิพานอัอ น, นันต์เลิศประเสริฐนะการมาตอมากกบวชเขามากเ อ, อ่เพื่อได้รักษาศีลเพื่อพ่าวนาเป็นอุปนิสัยต่อมาดผู้มากเขานั่นกันนะบวชเขามากพ่อได้ยู่ได้กินพ่อเลี้ยงชีพอ น, นันตะแย่ลงไปเรื่อยๆแหละเทนีน่แล้วก็ ต่อมาอีกปวดก็มากเลยทําความสัวส่างเสียหายในพระพุทธศาสนาทําดีบุได้เลยังทำซัวอีกอันนั้นแหะเลวที่สุดล่ะ เ, เพราะนั้นในพวกเข้าเบิ่งเอาไว้มันเลือกใดทั้งหมดโลกเนี่มันโลกเลือกใดลกโลกหาใดหาดีหาสัวใจเจุา ข, ของใดมดนั่นเพราะนั้นพวกเข้าเกิดมาในได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธทับข้าสอนของพระพุทธเจ้า ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ยังสายหลวงปู่สาวหลวงปู่หมันหลวงตามหาบัวเป็นแนะนำสั่งสอนพีนอกธรรมเทศนาของเฮาเปิดฟังได้ฟังได้ทุกวี่ทุกวันมีแต่แนะนำสั่งสอนให้ลูกหลานเป็นคนดีเป็นคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอว่าเฮา ไฟในการศึกษาไฟในการเรียนรู้ไฟในการประพฤติปฏิบัติพวกเฮ้าก็จะจะเป็นคนดีไปเรื่อยๆคนเฮ้าเกิดมาเออมันใส่กรรมต่างกันเนีอยังพวกเฮ้าได้เห็น เ, เดี๋ยวนี้เลยเห็นหมดอนะอโลกหินจานนะ เ, เท็ดจังเลยนะถ้าว่าเฮ้าไปเกิดใด้พพุ่มจังจันเขามาแลวก็โอ้ นาคิดค้นกันนะพี่น้องสัทยหยาดนมลูกหลานเออแต่ ว, ว่าไส้กัมกัมของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันแตกแตกต่างกันเหลือเกินพวกเขานมากเกิดอยู่ในพืนแผ่นดินไทยอยู่ในไตหล่มงเงาพระพุทธศาสนาเอออยู่ในสถาบันพระมหากษัิท์เป็นผู้ทรงคุณธรรมเป็นผู้มีเมตตาขนว่าพวกเข้าตกทุกข์แต่ยากจังไดเออ ฝ่าดินถลม่มบอกน้ำท่วมบอกไ อ, อยังเกิดขึ้นอฝ่าทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายคนในชาติกันยังมองกันเห็นกันดูแล ก, กันอนับว่าเป็นผู้โชคดีนะพวกข้าได้มากเกิดเลยอย่าลืมตัวสรุปแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วได้ดีขนาดนี้แล้วย่าลืมตัวนถ้าพวกข้าวลืมตัวนะเอ ต, ตั้งตนไวไม่ชอบเกิดมาก เตะใส่เตะขวาทวงหนาท่วงหลังลืมเจ้าของนัน่นแหละเกิดมาพบนายชาตินาเนี่ยน่ะอาจจะถลําไปเกิดกับอโลคหินจาน๋นานีน่ย ก, ก, ก็ได้เออมัน่ายก็น่าจะยังไม่หยุดนะในโลกมันมีดนอพวกปมมีเสือพาก็ยังมีอีกในโลกมันมีหลายแนวก็อย่างนะพอโลกกูเหมือนมันกว้างมันกว้างก็คือมันแคบอการใส่กำของทรัพสัทธ์ทั้งหลาย วันนั้นพวกเฮาเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยในพบพระพุทธศาสนาในพบพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นับว่าพวกเฮาเป็นผู้โชคดีเพราะนั้นตั้งตนไว้ให้ชอบสิ่งไหนที่มันบ่ดียาคิดยาคิดยาถ้ำยาพูดในสิ่งที่มันไม่ดีคำว่าดีหูจักบอให้ถามมึงว่าดีคืออย่งคือถามจกของนั่นแหะ ขั้นเจ้าของเขามาขาเจ้าของดีบอ่อ่บอดีเขาก็จะไปขาเขาออขั้นไปด่าเขาหนะ่ยดีบ่บอดีอย่ง เ, เขามาดา่าเข้าดีบอ่อบอดีเขาก็จะไปด่าเขา น, ะนี่แหละชิงที่มั่นบอดีที่เข้าบอดชอบใจเขาก็จะไปท่ำกับให้กับผู้อื่นเขาให้มีเมตตามีน้ำใจต่อกันมีความเ อ, อื้อเฟื้อเ อ, อื้ออารี่ต่อกันให้มีศีลมีธรรม พอถึงลอยปีดอกต่างคนต่างตายต่างคนต่างไปต่างคนต่างสังสมคุณงามความดีอย่างคุณยายนี่แล้วเนี่ยพอกบจากไปแล้วพวกเข้าจะต้องเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆนะไอ้นั้นพวกเข้าท่านทั้งหลายนะสิ่งไหนที่มันบอดีอยา่าอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันบอดีคิดทําพูดแต่สิ่งที่ดีฮความดีนั่นแหละ จะพาพัวเข้าไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่ความสุขเอพราะว่าตายแล้วบ่อสูญอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกเกือบคู่มือบวันไปเพราะว่าเหตุใดเพราะคนคู่มือเนี่ยคนคู่มือนี่มันมีความคิดอแปลกแตกต่างขึ้นมากเออตายเราไปเห็นมาบอกเลยนี่แหละหลวงตาเพป็นกาวเาลยหลวงตาเป็นว่าคันอยากจะหูจักนะ่ะทาจิตใจให้สงบ จิตใจเป็นสมาธิในจงหูจักไปเรื่อยๆเอหูจักเรื่อยๆไปถ้าว่าจิตใจเข้าเป็นสมาธิคานมาจิตใจพระท่านเป็นสมาธิแล้วพระท่านหูร้องจิตใจมันจานมันซ่านไปอยู่มันบูจักไผเป็นไผแต่จิตใจเป็นสมาธิแต่จงหูจักเจ้าของตัวใดไปเกิดตัวใดตายตายแล้วเกิดร่างกายแล้ะตายแต่จิตใจย้ายของแต่ย้าวยังเนี่นเเยเผาละเด้อ ร่างกายพื้นเผาแล้วนันนไป เ, เห็นในชัดเลยมิตรกระดูกเยแต่วันท่ามมาท่ามคือจิตใจของเพลินน่ะจะต้องไปเกิ ด, กดในภพภูมิต่างๆไปได้เพราะนั้นเรื่องใจนี่ในหลักของพุทธศาสนาแล้วเรื่องใจเป็นจริงเปจําเป็นสําคัญอย่างมากนะคณะบรรมญาติโยมลูกหลานอตอนนี้ไปรับพ่อในทะีนี้นะ